วันนี้ชนีชนีในวัดนะ่งชนีเราร้องอะ่ะตามปกติเนี่ยเป็นอุตุประจำวัดของเราเนี่ยนะบอกเหตุเมื่อวานเขาก่อนมันร้องกลางคืนประมาณห้าทุ่มฝนตกนะวันนี้มันร้องอีกนะเออถ้ามันร้องไม่ร้อนก็ฝนเรางั้นเะเออต้อคอยดูนะเออถ้าไม่ร้อนก็ฝนเรางั้นแถอะเออต่อนนี้ไปคณะสงฆ์จะ อนุโมทนาให้พรเมื่อกี้นี้ก็ทายกโยมถวายพระทหารเพื่ออุทิศส่วนกุศลถึงโยมเติมพร้อมกับลูกหลานได้มาทำบุญอุทิศส่วนกุศลที่มรณะภาพไปเมื่อ 3-4 สวันให้หลังเนี่ยอายุก็60กว่า 68-69 เก็ 68, ยังไม่ถึงกับแก่มาก แต่ก็อะไรมรลลภาพลงไปแล้วพวกเราก็ได้ไปชุมเพิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้แหละคนเราเกิดมาถ้าว่าถูกคนอื่นเออก็ไม่มีปัญหาคนอื่นตายไม่มีปัญหาแต่ว่าตัวเองตายนั่นนะปัญหาออถ้าไปหาหมอเนี่ยออถ้าคนอื่นป่วยโอ้เป็นมะเร็งโอ้เป็นมะเร็งนะ ก็เพียงจบเพียงแค่นั้นแต่ผู้เจ้าตัวที่เป็นมะเรนะ็งเน่ยเมื่อเราป่วยไงตัวของเราสมมติว่าพวกเราเนี่ยแหละป่วยไปหาหมอเออคุณเป็นมะเร็งนะเป็นมะเร็งตับนะอีกจากนี้ไปสักเดือนสองเดือนก็คงจะไม่ไหวแล้วนะเพียงแค่นั้นแหละหัวเข่าเราอ่อนเลยเลยแต่คนอื่ น, นไม่เป็นไรแต่ตัวเองที่เป็นโรคนะ่ะที่เป็นมะเร็งนะ่ยหัวเข่าอ่อน พรเห็นไรเพราะความกลัวตายสรุปแล้วเพราะนั้นถ้าเป็นคนอื่นไม่เป็นไรแต่ตัวเองนะี่ยมรณะภัยมรณะภัยคํานี้ไม่ใช่ธรรมดาถ้าเจอกับคนอื่นเราก็อย่างนั้นอย่างนั้นนะแต่เจอกับญาติพี่น้องที่อยู่ใกล้เราเราก็มีความรู้สึกจะเทือนใจแต่มาเจอกับตัวเองเข้าไปเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละสะเทือนใจอย่างมากนี่แหละก่อนที่พวกเราจะมาเกิด ยมมาทูตเขาก็ให้วีซ่าเรามาแล้ว อ, อวีซ่าอยู่ในมือของยมมาทูตหมดแล้วนะคุณจะไปเกิดมนุษย์เหรอเออเอาไปเอ า, เ, อาเดี๋ยวอีกสักวันหนึ่งนะจะเรียกกลับมานะะเขาให้ให้กลับให้มาอยู่ในเมืองมนุษย์อพอวันดีคืนดีเนน่นะอพอตู้เติมของเราก็อายุมาได้หกสิบเก้าปีเนยะ อยมบรทูนเขาก็ส่งวีซ่ามา้ตู้เติมกลับบ้านเก่าได้แล้วนะได้เวลาแล้วถึงเวลาแล้วให้วีซ่าเพียงเท่านี้อ้ตู้เติมก็ต้องกลับบ้านเหนนอพวกเราจรึงได้ส่งขึ้นไปเมนไนอะแล้วก็เผาซะกลับไปต่างประเทศไม่มีวันกลับมาอีกตู้เติมหมดแหละเออในชาตินี้ถ้ากลับมาอีกก็นั่นแ่ะเป็นเด็กน้อยบาดนี้มาเกิดอีก นี่แชีวิตของพวกเราทุกๆคนที่พูดให้ฟังเนี่ยเมื่อเราไม่ได้พูดให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหลวงพ่อเองก็จะเป็นอย่างนั้ น, เ, นเพราะฉะนั้นก่อนที่จะได้วีซ่ามาถึงมือเรานะ่ยก่อนที่เราจะได้รับวีซ่าไปขึ้นเครื่องนะเราได้เตรียมสเสบียงเดินทางของเราพร้อมหรือ ย, อยังเนี่ยเราได้สร้างคุณงามความดีเราได้สร้างบุญกุศล เราได้ให้ทานรักษาศีลภาวนาปฏิบัติพ่อแม่ผู้มีอุปกราระคุณเราได้ทำบุญกุศลไว้เพียงพอหรือยังใ้ให้ถามพวกเราถ้าว่าพวกเรามีแต่มุ่นง่วนอยู่กับการทำไร่ทำนาทำรัว้วทำสวนทำมาค้าขายหาเงินหาทองเราไม่ได้ใส่ใจสร้างบุญสร้างกุศลอีกสักวันหนึ่งเมื่อวีซามาถึงแล้วเราจะพึ่งอะไร ถ้าเราไม่พึงบุญไม่พึ่งกุศลถ้าไม่พึ่งคุณงามความดีของเราหาที่พึงไม่ได้นะเออพึ่งเงินพึ่งทองก็ไม่ได้พึงทรัพย์สมบัติพึงพ่อพึงแม่พึงพี่พึ่งน้องพึงสามีภรรยาลูกหลานพึงใครไม่ได้ทั้งนั้นนอกจากพึงบุญเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปเมื่อยมประทุดสงเรามาเกิดแล้วพวกเราก็ควรจะ สั่งสมคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราจากนั้นโยมมาโทษเขาก็คงจะส่งวีซามาพวกเราก็ไม่รู้จากนี้ไปข้างหน้าไม่รู้ว่าจะวันไหนไม่มีใครรับประกันได้ว่าคนนั้นอายุห้าสิบปีซะก่อนจริงไปไม่มีใครรับประกันได้พร้อมที่จะมาใ้ทุกวล่รเวลาเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอน บอกกล่าวแนะนำสั่งสอนพวกเราพุทธบริษัทซีว่าอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเนอชีวิตของพวกเราเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนแต่ความตายนั้นแน่นอนความตายนั้นแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นตายแน่แต่ว่าชีวิตของเรานั้นไม่แน่ไม่รู้จะตายวันไหนเพราะนั้นอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้นี่แหละคือพระพุทธเจ้าท่านสอนแล้วก็ท่านสอนลึกลงไปอีก ท่านบอกว่าคนเราเกิดมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารจะทำยังไงจึงจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกถ้าเรามาเกิดเราก็ต้องตายจะทำยังไงจึงจะไม่มาเกิดอันนี้แหละพวกเราต้องศึกษาเถเพราะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นเรื่องที่ยืดยาวมากจะทำยังไงจึงจะไม่มาเกิดถ้ามาเกิดแล้วก็ต้องตาย แต่ถ้าไม่มาเกิดจะตายได้ยังไงเพราะไม่มาเกิดจะทํำยังไงจริงจะไม่เกิดนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนวิธีการพระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาเมื่อสองพันกว่าปีที่โครนต้นโพนะพระพุองค์ได้ตัดสูรร้รำปุบเพนวาสานุสติยานจุตูปปาตยานอาสาวกยายะานอาสาวกยยะยานยานที่อย่างรู้ว่าชาตินี้เป็นชาติจุดท้ายจะไม่มาเกิดอีกแล้วพระพุทธองค์กําจัด ด้วยวิธีการอย่างไรที่ที่ว่าท่านจะไม่มาเกิดนั้นจุดนั้นแหละเป็นจุดที่พวกเราจะต้องเข้ามาศึกษาอะไรนี่หนพอวิชาต่างๆเห็นไหมขนาดปริญญาเอกเนี่ยเขาเรียนตั้งหลายปีไงปริญญาตรีหลายปีปริญญาโทหลายปีปริญญาเอกหลายปีแล้วพวกเราจะเรียนหรือพบหรือชาติจะไม่มาเวียนไหวตายเกิดเนี่ยเราจะมาเรียนเพียงหน่อยเดียวจะรู้ได้ทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้ แต่วิชาทั้งโล ก, ยกแยบแยบกระทั้งรู้เห็นกันอยู่เราก็ยังเรียนยากอันนี้เรียนเรื่องนามธรรมเรียนเรื่องนามธรรมคือทางด้านจิตใจเนี่ยเราต้องเรียนศึกษาให้ละเอียดทีท่วนเรียนกระทั่งเรื่องศีลทำยังไงท่านเมื่อปวดเป็นพระนะท่านจะต้องสอนเรื่องศีล ส, สมาธิปัญญาแต่ถ้าว่าเป็นครวญญาติโยมผู้ยังอยู่ภายนอกอยู่ท่านก็สอนว่าการอยู่ด้วยกัน ทานคือให้การเสียสละนะการอยู่ด้วยกันต้องมีน้ําใจต้องมีการเสียสละเสล่อเผื่อแผ่ต่อวงศาสนาญาติต่อพี่น้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายต่อสัรพสัตว์ทั้งหลายเราต้องมีน้ําใจนะอันนี้คือพระพุทธเจ้าสอนพวกเราเป็นครวา่าตสอนให้ทานให้มีน้ําใจในเมื่อสิ่งแวดล้อมของเราดีไม่มีพิษภัยเรารักษาศีลก็เป็นศีลที่บริสุทธิ์จากนั้นเราก็ภาวนา แต่สำหรับพระสงฆ์ในท่านบอกว่าศีล ส, สมาธิปัญญานะเนี่ยแหละเมื่อเขามาบวชในพระพุทธศาสนาท่านจะสอนเรื่องศีลเลยทนยีรักษากายวาจาให้เรียบร้อยศีลสองอยยีของพระเนี่ยเหมือนกับรั้วกั้นสองข้างถนนให้เดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางอย่าแวะทางอื่นเนถ้าออกไปทางอื่นแล้วออกนอกเส้นทางแล้วจะเดินไม่ถึงจุดหมายปลายทาง ถ้าเราเดินไปตามจุดหมายปลายทางคือศีลสองอยยีอยู่ในสองข้างทางเนี่ยเราจะเดินไปสู่มรรคผลถูกต้องมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าเราบวชเข้ามาแล้วถ้าใจตั้งใจบวชจริงๆหวังมรรคผลริพานจริงๆ จ, จ, จะไม่มีเรื่องอะไรมากแต่ถ้าว่าเราบวชเข้ามาแล้วหวังลาบยศสรรเสริญสุข โลกามิตรทางนอกอันนั้นเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายมีมากมายเพราะนั้นฝ่ายพระสงฆ์ในพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยสินสมาธิปัญญาสินคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยสมาธิดูวิถีทางเดินของจิตใจทำจิตใจยังไงให้สงบและก็ปัญญาพิจารณาอะไรรอบรู้ในเรื่องต่างๆเรื่องสังขารต่างๆความคิดปรุงต่างๆจนชาระใจของตนเองให้บริสุทธิ์หลุดพ้น จากอาสวักิเลสนีอันนี้เลยคือฝ่ายพระนะพวกเราถ้าทําได้อย่างนั้นจะไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏสงสารอีกแต่ถ้าว่าพวกเรามีแต่ทำมาหาเลี้ยงชีพธรรมดาไม่ได้คิดได้อ่านพวกเราก็จะต้องเวียนไหวตายเกิดอยู่อย่างนี้แหละตายแล้วเกิดพูดง่ายๆตายแล้วเกิดตายแล้วไม่สูญในหลักของพุทธศาสนาเพราะพระ พ, พุทธเจ้าท่าน ไปค้นคว้าศึกษาดูแล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาหลวงปู่มั่นหลวงปู่ต่างๆที่ท่านไปนั่งภาวนาอยู่ในป่าท่านนั่งหลับตาอยู่ในป่าพอนั่งหลับตาจิตของท่านเข้าสู่ความสงบเมื่อจิตของท่านเข้าสู่ความสงบใจของท่านไม่ปูงไม่พุ่งไม่ซ่านไม่หิวโหวยอะไรทั้งหมดใจนิ่งใจสบายใจสงบ จากนั้นท่านก็รู้ลเออร่างกายเนี่เป็นอันหนึ่งส่วนนามธรรมคือจิตใจนั้นเป็นอันหนึ่งแต่อาศัยกันอยู่แต่ตามไม่จริงนามธรรมตัวเนี้ยใจดวงนี่นะเป็นผู้มายึดปฏิสนธิในท้องแม่นะออคือวิญญาณตัวนี้นะมายึดร่างกายร่างกายของเราเนะี่ยอยู่ในท้องแม่พอออกจากท้องแม่ออกมาแล้วใจดวงนี้ก็ยึดคองร่างกายตัวนี้จตลอด ถ้าสมมุติเป็นโรงทํารถนะนายช่างคนแรกจะจับคันสีมาตั้งกึกค่ะและก็โทษที่สองก็ตั้งออกมาอีกท่ที่สองประกอบไปจนรถคันนั้นสมบูรณ์แบบพอสมบูรณ์แบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่แหละเราผู้จะซื้อรถเนี่ยเราก็ขับรถออกมาลักษณะอย่างนั้นแหละอันนี้ก็เหมือนกันอนะวิญญาณเนี่ยก่อนที่เราจะขับรถออกมาเนี่ย เราก็ไปมัดจําไม่ใช่หรือเอาเงินไปมัดจําผมจะซื้อรถคันนี้นะเท่าไหร่ห้าล้านอา้าผมเอาเงินให้ห้าล้านนี่นี่แหละคือวิญญาณมันไปจองไว้ก่อนแล้วมันไปยึดไปก่อนแล้วแต่ตามพระจิงวิญญาณตัวเนี้ยนามธรรมตัวนี้เนะีย้ยจืดใจอันนี้นะ่ะมันไม่ใช่ว่าจะไปยึดได้ทุกแห่งทุกหนไม่ใช่ไดถ้าว่าใจตรงนี้ไม่มีบุญไม่มีกุศลไม่มีบุญบา ร, รมี มันไปยึดของที่มีคุณค่าไม่ได้มันท่องไปยึดลูกหมูลูกหมานะี่ไปอยู่ในท้องหมากราไกา่ไปอยู่ในท้องช้างมา้าวัวควายไปอยู่ในท้องอะไรนกต่างๆแล้วมันไปเกิดไปยึดถือได้ทั้งหมดถ้าจิตใจตรงนั้นไม่มีบุญแต่ถ้าว่าจิตใจของเรามีบุญก่อนที่เราจะไปยึดเราดูเสก่อนอันนี้คือตระกูลไหนตระกูลสัมมาทิฏฐิไหม เป็นตระกูลที่เมื่อเราไปเกิดเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะได้สร้างบุญสร้างกุศลไหมเราจะได้เรียนหนังสือดีดีไหมเราจะร่ํารวยไหมเอี่คนมีบุญเขาต้องดูซะก่อนว่าก่อนที่จะเข้าไปเกิดก่อนที่จะเข้าไปยึดปฏิสนธินะเหมือนกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก่อนที่จะลงมาเกิดท่านก็มองดูว่านางสิริมหามายาที่กรุงกบิลพัฒน์พระเจ้าจุฑโททนะเป็นพระบิดาเมื่อลงไป เกิดแล้วลงไปปฏิสนที่แล้วต่อไปจะเป็นขั้นตอนอย่างไรนเนเยวบุตรท่านดูล่ะดูแนวทางไว้แล้วเพราะฉะนั้นคนที่มีบุญก่อนที่จะมาเกิดท่านก็ต้องดูซะก่อนถ้าคนไม่มีบุญวิญญาณที่ไม่มีบุญมันเกิดจะเ ป, ปะสปะไปเรื่อยนะพอตายไปแล้วก็ไปยึดสิ่งที่ตัวเองห่วงหาอะไรโที่สุขก็เกิดขึ้นมาอย่างพระในครั้งพุทธเจ้าที่หลวงพ่อ เคยเล่าพูดให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายฟังพอตายไปแล้วเนี่ยคิด่วงหาคิด่วงผ้าจีวรคือผ้าจีวรเพิ่งตัดใหม่ๆเมื่อวานนี่ยพอกลางคืนขึ้นมาก็ปวดท้องเหมือนกันพ่อปวดท้องชักติ้นชักงอเข้าไปอาหารเป็นพิษไนงะท่านก็คงจะไม่มียานในยุคสมัยนั้นก่อนที่จะตายท่านก็คิดโอ้ผ้าจีวรเพิ่งย้อมเสร็จใหม่ๆ่ถูกใจที่สุดคือผ้าจีวรผืนนี้ ข้าจะตายข้าจะไ ม, ม่ได้คล้องผ้าจีวรเชลัมา่งนี่พอนึกถึงผ้าจีวรเท่านั่นใจขาดกันเลยน่ะพ่อตายเลยหมดลมพอหมดลมวิญญาณคือนามธรรมคือใจตอนนี้ไปยึดผ้าจีวรผืนนั้นน่ะเพราะมันเป็นห่วงน่เพราะมันเป็นห่วงมันก็ไปยึดในผ้าจีวรผืนนั้นพ่อไปยึดในผ้าจีวรพ่อไปอยู่เป็นตัวเลนฮงตัวเลนตัวไรตัวเล็ลกๆน่ะมันอยู่ในผ้าจีวรผืนนั้นะ เออเข้าไปปฏิสนที่เลยนะไปเกิดเลยว่างั้นแต่เพราะมันเป็นห่วงผ้ากีบอนร่ะเนี่ยจากนั้นผู้นี้เช่ามาโอ้ยพระองค์นั้นตายแล้วที่เย็บผ้ากีบอรให้เมื่อวานนี่พ อ, อได้สุเกิดตอนใสายขึ้นก็เลยไปเผาไฟเพราะสมัยนั้นเผาไฟเผาง่ายองค์ไหนตายแล้วก็เผาองคไหนตายแล้วก็เผาพระตายเนี่ยพระองค์นี้ก็เลยตายก็ไปเผาพอเผาเสร็จแล้วพระสงฆ์ก็มาไปชุมกันทีนี่แจกบริขาร พระองค์ที่ตายเมื่อคืนเนี่ยจะให้องค์ไหนบริขารผ้าจีวรบาทอะไรแค่าสมบัติของผู้ตายนั่นว่ากันน่ะแต่พระองค์นั้นน่ะที่เป็นตัวเลนน่ะมันอยู่ในผ้าจีวรนนไปยึดผ้าจีวรว่าเป็นของตัวเองตัวเลนมันก็เล็กยู่แต่ว่าใจแต่มันใหญ่เลยใจของสัพพะจตกรทั้งหลายเหมือนกับใจเราอย่างนี้แหละเป็นนามธรรมนะมันใจใหญ่รู้เรื่องเมื่อกันนะ่ะพระประชุมกัน เลนตัวนั้นก็ร้องคือมาอ๋อพระกําลังจะแย่งพระจีวรข้าพรเจ้าพระกําลังจะแย่งจีวรข้าพรเจ้าข้าพระเจ้าไม่ให้ใหเล่นตัวนั้นมันร้องนะเล่นตัวนั้นมันร้องตอนนี้พระพุทธเจ้านั่งอยู่พระคันธโกดีด้วยเทปโสตะคือหูทิพย่างนั้นเถอะพระพุทธเจ้ามีหูเทปท่ปานเออพระองค์นั้นเน่ะตายเมื่อคืนเนี่ยน่ะมันไปเกิดเป็นเล่นนะ่ะพระองค์นี้นะ เดี๋ยวนี้กำลังร้องอยู่นะ่ะออว่าพระจะแย่งจีวรของเขาถ้าว่าพระจำนวนที่ประชุมกันนะั่นแะแจกผ้าจีวรเขาไปนะ่ะเลนตัวนี้มันจะพยาบาทกโกรธอย่างมากพอพ้นจากเลนไปแล้วมันจะต้องตกนรกอีก เ, ออเพราะว่ากโกรธให้แก่พระวิญญาณเนี่ยวิญญาณพระองค์ที่ตายเมื่อวาน แต่ตามไม่จริงอั น, นิี้สงสินอั น, นิี้สงภาวนาของเขามีมากอยู่พร้อมที่จะไปสู่สวรรค์ได้แต่ถ้าว่ามาโกรธะใช้อารมณ์โกรธเล่นตอนนั้นมันโกรธเหมือนกันนะเอพอหมดอายุของมันมันจะต้องไปตกนรกเพราะเหตุหอะไรเพราะมันตายด้วยความโกรธเล่นตัว น, นั้นเพราะพระเจ้าเลยบอกพระอานอนท์อนอนท์ไปบอกให้พระจํานวนนั้นระงับในการแจกผ้าจีวรไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งแจก เอาไว้ก่อนพระอนุนก็ไปบอกพระพุทธเจ้ามีพระบัญชามาว่าผ้าที่พระตายเมื่อวานเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยอย่าเพิ่งแจกเนอะพระพุทธเจ้าบอกว่าให้เก็บไว้ก่อนบริขารพระองค์นี้พระสงฆ์ก็งงเหมือนกันเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าจึงสั่งไม่ให้แจกพระสงฆ์นั้นก็เก็บไว้พอได้เจ็ดวันไลตัวนั้นแ่ะตัวเลนตัวนั้นน่ะ อายุมันเจ็ดปันไม่ได้กินอาหารไม่ได้กินอะไรไมาอยู่ในผ้ากีบรนแมมันก็เลยตายเล่นตอนนั้นตายพอตายปุ๊บอันนี้สงสีนอันนี้สงภาวนาของท่านมีอยู่พระองค์นั้นท่านก็ไปสู่สวรรค์อันนี้สงภาวนาอันนี้สงศีนของท่านพระพุทธองค์ก็บอกพระอ น, นุนเอออ น, นุ์ไปบอกให้พระที่จะแจกกีวรในวันนั้นนะ่ะที่อาทิตย์ที่แล้วนะ่ะเจ็ดวันที่แล้วนะ่ะ แจกได้แล้วนะไปชุมแจกได้แล้วนะพระอนุนก็เข้ามาบอกกับพระสงฆ์เหล่านั้นบ อ, อกว่าพระพุทธองค์มีพระบัญชามาว่าผ้าจีวรที่เก็บไว้เมื่อสั ป, ปดาห์ที่แล้วเนะี่ยแจกได้แล้วนะครับพวกท่านทั้งหลายแจกกันได้แล้วพระสงฆ์ก็เลยมาประชุมกันก็เลยแจกผ้าจีวรนนะแจกวระองค์ไหนขัดขอ้ององค์ไหนต้องการสัางคาติองค์ไหนต้องการจีวรพระสงฆ์ก็ให้เป็นองค์ๆไปพอองค์ไหน ผ้าสังคาติขาดจีวรขาดบาดแตกอย่างนี้ก็ให้องค์ที่จําเป็นนะจากนั้นพระสงฆ์เหล่านี้ก็ข้องใจเอ๊ะทําไมพระพุทธเจ้าสั่งให้ระงับแล้วก็สั่งให้แจกเนะพราะเหตุไรพราะพระสงฆ์ท่านไม่รู้ใช่ไหมจากนั้นไปกราบทูลพระพุทธเจา้าพระพุทธเจา้าเออที่เราสั่งให้ระงับพระองค์นั้นนะก่อนตายนะเขาคิดถึงผ้าจีวรของเขาห่วงหาอะไรอย่า ง, างมากเพราะว่าเขาได้ ยอมกับมือตัดเย็บกับมือเข้ามาและเขาก็จะได้ใช้ผ้าจีวรแต่เขามาตายก่อนเขาก็เลยห่วงผ้าจีวรวิญญาณคือใจคือนามธรรมเลยไปปฏิสนธิในผ้าจีวรผืนนั้นเป็นตัวเรนตัวไรขึ้นมาเขาก็ร้องวิ่งไปวิ่งมาในผ้าจีวรว่าพระจะแย่งจีวรเขาเราเห็นว่าวิญญาณของเขาน่ยจะไปสู่สวรรค์ได้อยู่เพราะว่าอเ น, น ส, ส่น์ศีลอเิส่์ภาวนาของเขามีอยู่ เพราะนั้นเราจึงสั่งให้ระงับไว้ก่อนแต่บัดนี้ไหลตัวนั้นตายแล้ววิญญาณนั้นก็ไปสู่สวรรค์แล้วเพราะนั้นเราจึงให้แจกผ้าจีบอนนี่คือมาในพระไตรปิฎกเพราะนั้นเรื่องเกิดเรื่องตายเนี่ยเราต้องระวังสรุปแล้วก็คือก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นน่ะเรามีบุญกุศลหรือยังแต่พระองค์นั้นท่านมีบุญนะท่านจึงได้ไปสู่สวรรค์ท่าน มีภาวนามีศีลจากนั้นก่อนที่จะตายเนี่ยพวกเราจะไปคิดถึงเรื่องอะไรถ้าเราเป็นห่วงควายเราก็ต้องไปเกิดเป็นควายถ้าเราเป็นห่วงหมาเราก็เกิดเป็นหมาเราเป็นห่วงไก่แล้วก็ไปเกิดเป็นไก่เราเป็นห่วงอะไรถ้าเราเป็นห่วงเงินในธนาคารเนี่เนียเราก็คงจะไปเกิดเป็นไหลเกาะอยู่เงินในธนาคารอีกเหมือนกันนะเพราะจิตใจ เพราะใจส่งไปถึงที่ไหนมันจะไปเกาะที่นั่นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะว่าก่อนที่จะตายก่อนที่จะใจขาดนั้นให้รละลึกถึงคุณงามความดีให้ระลึกถึงบุญกุศลเออท่านให้ระลึกถึงพุทธโทธธ ร, รมโมสังโฆให้ระลึกถึงพระพุพะทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พุทธโธพุทธโธพุทธโธพุทธโธ ท, ทําใจให้สบายทําใจให้สงบไม่ต้องพิจตกกังวลไม่ต้องคิดหาใครทั้งหมดในจักรวาลเนี่ยมิถึงพุทธโธพุทธโธไม่พิจารณาวะ ร่างกายสังขารนี huh. gay, ้ไม่ใช่ตัวตนของเราตั้งแต่หัวจดเท้าเนี่ยร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนของเรานะใจนะเพราะถ้าว่าเป็นของเราเราบอกว่าอย่าแก่นะอย่าเจ็บนะอย่าตายนะมันก็ต้องบอกได้แต่นี้เราบอกไม่ได้นะร่างกายนะเราบอกไม่ได้นะอย่าแก่มันก็แก่อย่าเจ็บมันก็เจ็บอย่าตายมันก็ตายเพราะฉนั้นอย่าไปยึดมั่นถือมันในร่างกายนะใจนะถ้าเราพิจารณาได้อย่างนี้นะ ร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่เร า, ไ ม, เราไม่ใช่ของเรากำหนดปฏิเสธอยู่ในใจใจของเราเข้าสู่ความสงบนะเปลี่ยนสมาธินะพวกเราจะไปเกิดเป็นพรหมได้ไง่ายๆเหมือนกันเนะีเพราะนั้นก่อนที่จะตายเนี่ยจะต้องต้องได้ฝึกนะต้องได้ฝึกสมาธิเอาไว้แต่ถ้าว่าเราไม่ฝึกอย่างที่ว่าเนหะมือนกับพระองค์นั้นขณาท่านฝึกแล้ว แต่ก่อนตายก็ไม่มีใครเตือนท่านนะท่านก็เลยเป็นห่วงพ่อจีวรพอตายไปแล้วก็ยังไปเกิดเป็นตัวเลนได้ในสำนักพระพุทธเจ้าอีต่างหากเพราะฉะนั้นเรื่องสิ่งเหล่านี้เรื่องวิญญาณจิตวิญญาณเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากเพราะฉนั้นขอให้พวกสหายญาติโยมพวกเราทุกๆ ท, ท่านให้ศึกษานะแล้วก็ให้ปฏิบัติให้ภาวนาก่อนที่ใจจะขาดก็ให้ระ ล, ลึกถึงบุญกุศล ข้าพเจ้าถือสร้างบุญสร้างกุศลข้าพเจ้าหด่ยมาไหว้พระสวดมนต์ข้าพเจ้าได้ทำบุญทำทานสร้างกรถินเสียสละสร้างโบสถ์วิหารสร้างพระประธานให้เราเลิกถึงขุนงามความดีอันนี้ไปสู่สวรรค์ได้แต่ข้าผู้ใดเข้าครับขันเข้ามาภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธทำใจให้เนื่งทำใจให้สงบไม่ต้องวิตกกังวลกับอะไรทั้งหมดอันนี้จิตใจจะไปสูงมากนะท่านว่ากั้น เพราะใจตรงนี้ไม่วิตกกังวลไม่เกี่ยวข้องกับอะไรเพราะนั้นให้พวกเราทุกท่านนะสัทญธญาติโยมทุกคนนะก็ให้ปฏิบัติให้ภาวนาให้เราเลอกถึงขุดงามความดีนะอารับพรอนโมทนาให้พร